รู้สึกตัวสบายๆนะนี่เสียงหวงพ่อไม่ค่อยมีลูกศิษย์มาถวายไวรัสไปนะนั่งภาวนาไปภนะาวนาให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ล่องลอยไปก็ไม่ไปบังคับใจ ทำกรรมฐานไว้สักอย่างนะพุโทโธหรือหายใจอะไรก็ได้หรือก็รู้สึกไปสบายๆไม่ไปบังคับใจให้นิ่งๆใจจะสงบหรือใจจะฟุ้งซ่านไม่เป็นไรอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปแ้วมันหนีเรารู้มันหนีเรารู้หรือมันถล่มลงไปจ้องตัวอารมณ์ก็รู้เอ ถ้านี่เรารู้ก็ใช้ได้แล้วถลั่มไปจ้องนะ่รู้ไม่หายจิตหลงไปเนะี่ยถ้าเรารู้ทันมันจะหายทันทีไอ้จิตที่หลงไปเนะี่ยเป็นอกุศลจิตฟุ้งซ่านแต่จิตมันถลั่มลงไปจมแช่นิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวมันนี่ได้เป็นถึงขนาดอากุศลเนาะ เราไปรู้มันไม่หายต้องทำลายต้นเหตุของมันต้นเหตุที่เราถลําลงไปก็คือโลภอยากดีอยากปฏิบัติก็ อ, อยากมีกิเลสให้มาเกิดการบังคับควบคุมจิตใจตัวเองน้อมจิตให้เป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างดีที่สุดได้สมถะ แต่ส่วนใหนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้ประเดียวเดียวโมหะอแซตจิตไม่ได้เป็นกุศลน เ, เป็นอกุศลตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะ ถ้าฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานได้แนละ้วการเจริญปัญญาจะไม่ยากอะไร เ, เราไม่ได้ทําอะไรสัอย่างเดียวแต่เราจะเห็นกายเห็นใจมันทํางานมันแสดงใจรักเราไม่ได้ทําแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นได้นะจิตของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนผู้รู้คือผู้ไม่หลงไม่เดื่มตัวเอง ใจก็ตื่นขึ้นมาใจก็เ บ, บิกบานไม่เคร่งเครียดถ้าเราเป็นผู้เพงนะ่งใจไม่ เ, เครียดไม่เ บ, บิกบานสังเกตไหมเราเริ่มทำกรรมฐานเนี่ยเรารู้ตัวอยู่ได้เดี๋ยวเดียวทำบ่อยๆ สมาธิจำเป็นมากนะสมาธิไม่มีเจริญปัญญาไม่ได้สมาธิที่ถูกต้องไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งสมาธิที่เพ่งแล้วจิตจมลงไปโดยเราไม่เห็นเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่เพ่งลงไปเรานิ่งอยู่จะรู้สึกอยู่นะ ไม่ขาดความรู้สึกได้สมถะสมาธิที่จิตใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิอย่างนี้เอาไว้เดินปัญญาเมื่อก่อนมีครูบาจารย์หงคือหลวงปู่เทศเจอท่านท่านจะพูดแต่เรื่องฌานกับสมาธิ เรื่องจิตกับใจมีอยู่สองงันเนี่ยพูดเอยๆชาญกับสมาธิอันนี้เป็นบัญญัติของท่านฌานคือจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวเอาไว้พักพรเป็นสมถะสมาธิจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน สมาธิไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเสมอไปสมาธิส่วนใหญ่ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาร้อยละเกือบร้อยของคนที่ฝึกกรรมาฐานบางคนก็เป็นมิจฉาสมาธิบางคนก็เป็นสมาธิชนิดสงบอยู่ในอารมณ์เดียวมนใช้ไม่ได้สมาธิที่ดีคือใจ ตื่นขึ้นมาในใจของเราเนี่ยปกติมันจะฝันตลอดเวลาเนี่จะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันนี่ฟงออกนอกเห็นพระเดินไปก็หันไปดูจิตวิ่งตามไปนะวิธีฝึก ให้ได้ใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบานทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันถลําลงไปที่อารมณ์กรรมฐานนั้นนั้นหรือจิตหนีวิคิดเรื่องอื่นเนี่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปหลงไปอยู่ในโลกของความคิดรู้ทัน สลำลงไปจ้องอารมณ์กรรมาฐานรู้ทันอย่งเวลาเรารู้ลมหายใจจิตมันชอบไปอยู่ที่ลมหายใจเคยรู้ทันไหมถ้าเรารู้ทันจิตได้เราจะได้ตัวจิตผู้รู้มาถ้าเราไม่รู้ทันจิตจิตก็เป็นผู้หลงก็ง่ายๆแค่นี้เองนันก่อนที่จะไปเดินปัญญานะต้องฝึก ไม่ได้จิตมาสะก่อนได้จิตคือได้ธรรมะนะเสียจิตไปไม่ได้ธรรมะจิตหายไปหลวงพุทธเทศมีคำว่าจิตกระใจฌนะานกับสมาธิฌานนี้เป็นสงบอยู่ในอรมณอันเดียวสมาธิในความหมายของหลวงพุทธเทศคือรักนูปนิชาน จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นไตรลักษณ์นพูดถึงลีลาของสมาธินะหลวงปู่เทสสอนไว้สองอันชานกับสมาธิลีลาของจิตก็มีสองอันถ้เรกจิตกับ ใ, ใจจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเรามีสติ รู้ทันจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตจะเปลี่ยนมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานโดยอัตโนมัติให้ครูบาอาจารย์จานวนมากนะท่านจะสอนให้เรารู้ทันความคิดหลวงปู่ดุลย์ก็สอนคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดหมายความว่า ใจมันมีหน้าที่คิดมันก็ต้องคิดแต่คนทั่วไปพอคิดแล้วจิตมันถลาลงไปอยู่ในโลกของความคิดไม่สามารถรู้สึกตัวขึ้นมาได้แต่ถ้าเราให้ใจมันคิดแล้วจิตถลาไปอยู่ในความคิดแล้วเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงไปอยู่ในความคิดจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หลวงพ่อเทียนก็สอนแบบเดียวกันภาษาไม่เหมือนกันท่านบอกท่านใช้วิธีขยับมือทาจังหวะที่มือบอกเป็นการเขยา่าธาตรู้เพื่อปลุกจิตให้ตื่นบอกคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวพอความคิดผุดขึ้นมาสติรู้ทันก็เหมือนแมวเห็นหนูตะครุบที่เดียวหนูอยู่กบที่เลยไปไหนไม่ได้ ถ้าเรารู้ทันจิตที่คิดเนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่เราต้องทํากรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งนะแล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันลงไปคิดก็รู้อีกอันนึงคือลงไปเพ่งก็รู้คนทั่วไปที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตจะหลงไปคิดทั้งวันส่วนนักปฏิบัติเนี่ยในช่วงเวลาที่ปฏิบัติมกักจะหลงไปเพ่ง ในครูบาจจารย์ท่านเน้นอยู่ตรงที่จิตคิดเรารู้เนี่ยเพราะท่านรู้นิสัยพวกเราเ่าไม่ค่อยปฏิบัติหรอกวันๆจิตหลงไปคิดอุตรุตเลยเมื่อวานคิดมากเป็นพิเศษรู้สึกไหม <c ười> คิดเหมือนคนบ้ากันทั้งบ้านทั้งเมือง มีบางคนอุตส่าห์บอกมาที่พระนั้นพระไม่เกี่ยวสาบอกพระมั้งมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นหลวงพ่อนั่งภาวนาใจเฉยเยเฉยเฉยมีธรรมะอันหนึ่งผุดขึ้นมาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับ งั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะไม่ว่าสิ่งที่เกิดจะถูกใจหรือไม่ถูกใจมันก็ดับเห็นไหมพูดธรรมะล้วนๆใจเสื่องซึมเรามีเรื่องโลกประกอบใจคึกคักรู้สึกเศรารู้ได้ออยังว่าใจชอบโลก รู้หรื อ, อยังว่าทำไมภาวนากันตั้งนานไม่บรรลุมรรคผลใจไม่ได้ต้องการโลภุตระใจยังพอใจกับโลกอยู่อันนี้เราไม่ต้องโทษใครนะเราดูตัวเองก็ออกนะวันหนึ่งวันหนึ่งใจออกไปกับโลกเท่าไหร่ ใจที่คิดจะเรียนรู้โลกตามความเป็นจริงมีเท่าไหร่ใจที่หลงโลกมีเท่าไหร่ไม่มีใครมาบงการเรานะไม่มีใครมาลิขิตว่าใครจะบรรลุมรรคผลเมื่อไหร่อยู่ที่ตัวเราเองใจเราไปที่โลกเราก็ได้โลกใจเราไปที่ธรรมเราก็ได้ธรรม รู้สึกไหมใจสลดสังเวชเมื่อกี้สลดแรงกว่านี้นะตอนนี้เริ่มห่างจากตอนที่หลวงพ่อบอกว่าพวกเราไปกับโลกเราไม่ได้อยากได้ธรรมะใจมันสลดลงนิดหน่อยทำไมใจยังไปกับโลกใจยังไม่รู้โลก ยังไม่รู้โลกแล้วทาไงเรียนรู้ไปพระพุทธเจ้ามีชื่อชื่อหนึ่งว่าโลกาวิทูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งท่านเห็นโลกเนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเรียกรู้โลกแจ่มแจ้งเพราะเรายัางรู้โลกไม่แจ่มแจ้งโลกยังให้ความมันก่บเรา ให้ความสนุกสนานความเพลิดเพลินความมันในอารมณ์ทำไมเราเห็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าเคยสอนนะบอกว่าภิสูุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตงดงามเหมือนราชรถทรงของพระราชารถที่ขนพระบรมโกศเนี่ยสวยไหมสวย ตอนนี้โลกวิจิตงดงามมากเลยเหมือนราชรสทรงของพระราชาที่คนเข่าผ้ากันติดอยู่ผู้รู้เนี่ยไม่คล้องเกี่ยวทำไมยังเข่าอยู่เพราะว่ายังเรียนรู้ไม่พอพยายามเรียนรู้ไปในโลกนี้มีอะไรที่ดีงามบ้างลองนึกดูตั้งแต่เราเด็กๆ รู้เรื่องแล้วรู้ความละเราผ่านความทุกมาเท่าไหร่ล้วแต่เราพยายามลืมเราพยายามจำแต่เรื่องความสุขยังเคยมีแฟนมีความสุขเดี๋ยวนี้ไปอยู่กับคนอื่นแล้วไม่อยู่กับเราล้วเราก็ยังคิดถึงเสียดายความสุขในอดีต โดยจมอยู่ในความทุกข์ของปัจจุบันเรียกเราหลงโลกเรียนรู้ลงไปสี่ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนที่เรารู้จักตายไปกี่คนแล้วเดี๋ยววันนี้ลองไปเอากระดาษมาใบหนึ่งนะนอเรื่องลิสต์ายชื่อคนที่เรารู้จักคุ้นเคย คนที่เราชอบอตายไปกี่คนแล้วลองทบทวนความทุกข์ในชีวิตของเราอ่านความทุกข์อะไรมาบ้างแล้วเวลาความทุกข์มันจะมาถึงตัวเราเรารู้ตัวล่วงหน้าไหมบางงานก็พอประมาณคาดการได้ บางเรื่องอขาคาดไม่ออกอย่างบางคนไปตรวจร่างกายไปจำปีไม่ได้เจ็บป่วยเจอเป็นมะเร็งขั้นที่สามที่สี่แล้วนี่ความทุกมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้โลกนี้ไม่ได้น่าเพลิดเพลิอนอะไรโลกนี้วุ่นวายเต็มไปด้วยความทุกข์ความวุ่นวาย คนรุ่นเราไม่รู้ว่าบุญหรือบาปนะให้ผลมาเกิดยุคเนี้คนโบราณไม่ค่อยมีข้อมูลข่าวสารแต่คนยุคเราเนี่ยรับข้อมูลข่าวสารมหาศาลในวันหนึ่งวันหนึ่งจิตขอเราเหน็ดเหนื่อยมากกับข้อมูลข่าวสารที่มันได้รับจิตเราแหว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลา เดี๋บางคนเล่นหุ้นนะเปิดจอคอมพิวเตอร์ดูทั้งวันจิตก็แป่งทั้งวันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตลอดเวลาเรามีกินมีใช้มีวัตถุสิ่งของมากกว่าคนโบราณแล้วเราก็มีข้อมูลข่าวสารมากกว่าคนโบราณใจเราก็แว่งมากกว่าเขาอีก เงินวัตถุสิ่งของที่เรามีมากๆเนี่ยไม่ได้นำความสุขมาให้เราจริงอย่างเรามีรถยนต์คนอื่นก็มีรถยนต์เขาดีกว่าของเราใจเราก็ห่อเหี่ยวแล้ใจเราแวงขึ้นแวงลงนี้ทั้งวันเพราะเราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงในโลกมันหลอกให้คนหลง หลอกคนโง่คนไม่มีการศึกษาทางจิตใจตนเองให้หลงรู้สึกไหมบ้านเมืองเงียบๆมาสี่ห้าปีมีข่าววันเดียวจะตีกันตายแล้วแยกค่ายกันอย่างรวดเร็วเลยเนี่ยข้อมูลแต่มามีข้อมูลใหม่บางคนก็ดีใจบางคนก็เสียใจอีกแล้ว มันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์ชีวิตเต็มไปด้วยข้อมูลที่ทำให้ใจกระเพื่อมกระเพื่มขึ้นกระเพื่อมลง เนี่ยพวกเราตั้งใจฟังเสียงกันจิตหนีไปทางไหนจิตหนีไปเรื่อยๆโลกมันมากระทบเรานะคือจริงๆจิตเราไปกระทบโลกนะี่ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรูปธรรมทั้งหลายเจ็ดชนิด ใจเนะี่ยสัมผัสทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมจํานวนมหาศาลงนั้นใจเป็นธรรมชาติที่รับภาระหนักที่สุดเลยถ้าใจมีความสุขสักอย่างเดียวนะชีวิตจะมีความสุขมหาศาลใจที่ไม่มีความสุขเมื่อใจมันหิวใจมันหิวอะไรหิวอารมณ์หิวโลกข้างนอกนี่เอง เติร์ดิรถ้าเราพาใจให้เรียนรู้ความจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระมีแต่ของที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปทุกสิ่งไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราอย่างเมื่อวานะที่จิตเราแฝงซึ่งแม้เราบังคับอะไรไม่ได้เลยโลกจะเป็นยังไงเราบังคับมันไม่ได้ะ ใจเราพอกระทบกับโลกแล้วมันเป็นยังไงเราก็บังคับมันไม่ได้ไม่เป็นของน่าเบื่อทาไมชีวิตเราจะต้องแกว่งไปแกว่งมาอย่างนี้ตลอดเวลาทำไมเราไม่รู้จักความสุขความสงบของสันติสันติคือนิพพานมันยุติธรรมที่สุดนะถ้าใจเราต้องการโลก ใจเราก็ได้โลกเราต้องการธรรมะให้เด็ดเดี่ยวลงไปเรียนรู้กายรู้ใจกายกับใจนี่แหละรเรียกว่าโลกโลกภายในโลกภายนอกโลกภายในก็คือรูปนามกายใจของเรานี้โลกภายนอกก็รูปนามภายนอกรูปนามภายนอกมันมีมากมันเรียนยากเรียนจากรูปนามภายใน ดูกายดูใจของตัวเองให้มากๆเราเข้าใจความจริงว่ากายนี้คือตัวทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์โลกข้างนอกไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าโลกข้างนอกนาความสุขมาให้เราไม่ได้ซะแล้วเพราะกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไปซะแล้วนั้นใจก็จะไม่หลงโลกอย่างคนเวลาป่วยหนักจะตายนะ พวกนึงห่วงสมบัตนะิแต่คนส่วนใหญ่ขอชีวิตรอดละเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมของที่รักที่สุดก็คือชีวิตของตัวเองมันประกอบด้วยร่างกายจิตใจนี่ที่เรามีความอยากในสิ่งอื่นๆมากมายเนะี่ยก็เพราะเรารักตัวเองเราอยาก โน้อนอยากนี่นะรักตัวเองแต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเองแล้วมันรักไม่ลงร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ทำอะไรก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยมันรักไม่ลงนะมันเห็นว่าร่างกายนี้คือตัวทุกข์ ตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคนอื่นจะแก่จะเจ็บจะตายเนะเราไม่สะเทือนเลยเพราะว่ากระทั่งร่างกายของตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายยังไม่สะเทือนเลยถ้าโลกภายในไม่กระเพื่อมนะโลกภายนอกก็ไม่กระเพื่อมงี่เราเรียนรู้ลงมาในร่างกายเนะี่ยเรียนรู้โลก นี่เป็นโลกภายในหรือเรียนรู้จิตใจตัวเองนี่คือโลกภายในเราจะเห็นไดยว่าทุกสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นของชั่วคราวความสุขที่เกิดขึ้นมาให้จิตรู้เป็นของชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ของถูกรู้เป็นของชั่วคราวเรื่องที่ดีใจเสียใจผ่านเข้ามาก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไป เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูจนจิตมันมีปัญญามันรู้เลยว่าทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นคราวนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้จิตใจเรารับรู้จิตใจจะไม่หวั่นไหวเพราะจิตใจฉลาดซะแล้วรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วต้องดับเรื่องที่เสียใจเกิดแล้วก็ดับเรื่องที่ดีใจเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับทั้งหมดเลย พอเรนโลกภายในคือจิตใจของเราสำเร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปรู้โลกภายนอกมันก็ไม่มีอะไรเงินเข้าใจโลกภายในแล้วครือรูปนามกายใจของเราแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับโลกข้างนอกได้แบบเหนือโลกโลกภายในเราก็อยู่เหนือโลกภายในนะยังมีโลกภายในอยู่เพราะขันยังมีอยู่ ยังมีกายมีใจอยู่แต่จิตมันก็อยู่เหนือโลกภายในเนี้หมายความว่าอะไรจะเกิดขึ้นในร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นในจิตใจเนะี่ยมันกระเทือนเข้ามาไม่ถึงใจจิตมันอยู่เหนือโลกของข้างนอกโลกภายนอกนะยิ่งห่างออกไปใหญ่อย่างถ้าเราถูกตีหัวแตกนะแับเราเห็นคนอื่นนะเขาหัวแตกนะเราเดือดร้อนไม่เท่ากัน ถ้าหัวเราแตกเนี่นเดือดร้อนมากกว่าเรารักมากกว่านี่กระทั่งตัวเองนะยังเห็นความจริงนลยมไม่ต่าห่วงแหนอะไรเลยเมืันใจไม่ไปห่วงโลกข้างนอกหรอเหมือนอย่างเรารู้ตัวว่าใกล้จะตายแล้วคงไม่หิวโหวยโลกข้างนอกมากมายอยากได้อะไรเครื่องเพชรเอาไหม หรือกระเป๋าราคาหลายแสนเอาเปล่าก็ไม่เอาแล้วนั้นโลกข้างนอกนะัะเรารักเราผูกพันน้อยกว่าโลกข้างในถ้าเราสามารถอยู่เหนือโลกภายในได้แล้วโลกภายนอกไม่มีความหมายอะไรเลยเสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเราเองคือรูปนามกายใจเป็นโลกภายใน พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าโล ก, กบวิทนะูท่านจะรู้โลกอื่นหรือเปล่าหลวงพ่อเขไม่รู้หรอกมันไม่ใช่ญาณทัศนะของสาวกจะรู้แต่พระพุทธเจ้ารู้โลกภายในแจ่มแจ้งแน่นอนรู้ความจริงของรูปนามกลใจแน่นอนจะรู้ว่าดาวแต่ละดวงมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยท่านจะรู้หรือเปล่าหลวงพ่อไม่รู้ แต่ก็น่าจะรู้นะท่านเคยบอกไว้ว่ามันมีดาวขนาดใหญ่นะใหญ่กว่าโลกเราเนี่ยที่มีชีวิตมีเป็นร้อยร้อยโลกเลยดาวขนาดของเราเนี่ยมีนับไม่ถ้วนที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ท่านพูดนี้นิดหน่อยๆน่อย เพราะคนในยุค ข, ของท่านยังพิสูจน์เรื่องนี้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดส่วนใหญ่ท่านก็เลยพูดเรื่องขันห้าอายาตนาหกอินสี่ยี่สิบสองปฏิจจสมุปบาทยี่สิบสี่นี่เป็นเรื่องในตัวเองทั้งหมดเลยเป็นโรคภายในรูปนามภายใน ถ้าเข้าใจตรงนี้แล้วเรียกรู้โลกแจ่มแจงแล้วโลกข้างนอกมันก็เหมือนโลกข้างในนี่งมีคราวหนึ่งหลวงพ่อนั่งอยู่กับหลวงปู่ดูลนุ่งปู่ดูลทั่นนั่งเงียบๆแล้วท่านก็ชี้ให้ดูแห่นกระเบื้องอย่าง ก, กระเบื้องข้างๆเราเนี้ยท่านก็ถามหลวงพ่อว่ามันเคลื่อนไหวได้ไหมหลวงพ่อบงไม่ได้ ท่าบอกมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาอนุของมันนี่หมุนอยู่ตลอดเวลานี่พราไม่ได้เรียนหนังสือนะพระไม่ได้เรียนหนะนังสือท่านเห็นถึงปรมาโนดนั้นโลกนี้ก็เพิ่มไหวอยู่ตลอดเวลานะเรียนรู้เข้ามาที่กายที่ใจของเรา เาเข้าใจความจริงหมดความยึดถือกายยึดถือใจเรียกว่าโลกุตระเหนือโลกละมีกายแต่จิตมันพ้นจากกายมีใจจิตก็พ้นจากใจโลกข้างนอกก็หลุดไปด้วยพร้อมๆกันจิตไม่ยึดถือเหมือนๆกันนั้นฝึกตัวเองนะฝึกไปอย่าลงโลกเอาเวลามาเรียนรู้ตัวเองค่อสมกับที่เรา ตั้งตัวเป็นนักปฏิบัติน่ยนักปฏิบัติวันหนึ่งวุ่นวายอยู่กับโลกข้างนอกนะหลงโลกข้างนอกไม่มีทางมันไม่มีที่สิ้นสุดโลกข้างนอกไม่มีวันสิ้นสุดเลยนะมาเรียนรู้โลกภายในเนี้ยในกายในใจเนี้ยมีที่สิ้นสุดมาไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ